ของจริงกันมาหาของแท้กันเพราะไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะมีของจริงของแทะนอกจากในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะเป็นที่ที่เราสามารถหาของจริงหาของแท้ได้ด้วยการศึกษาหาความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสู่ พระพเจ้าทรงตรัสราว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของจริงเป็นของปลอมความสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่เป็นความสุขจริงเป็นความสุขปลอมเพราะเหตุนใดเพราะว่าทรัพย์ทั้งหลายความสุขทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มี ไม่ได้อยู่ไปกับเราไปตลอดไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเรากับเขาก็ต้องจากกันไปนี่คือความจริงที่พวกเราไม่ค่อยคิดกันไม่ค่อยมองกันเลยไม่รู้กันว่าเรากำลังวิ่งหาความสุขปลอมกันเรากำลังวิ่งหาทรัพย์ปลอมกันทรัพย์จริงความสุขจริงเราไม่หากัน เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาเราถึงจะรู้ว่าความสุขความสุขจริงสมบัติที่แท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในตัวเราอยู่ในใจของเรานี่เองเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่งค้นพบเป็นพระองค์แรก เมื่อก่อนพ อ, องค์ก็ทรงหาความสุขหาทรัพย์จากสิ่งต่างๆภายนอกตัวเราภายนอกตัวของพระ อ, องค์เองแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีเพราะไม่ว่าจะได้อะไรมาก็ตามพอได้ามาแล้วมันก็หมดไปความสุขต่างๆที่พ่อองค์ทรงหาจากการเสพสัมผัส รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆเสพไปมากน้อยเพียงไรพอเสพไปแล้วมันก็หมดไปเหลือแต่ความหิวเหลือแต่ความอยากที่จะเสพเพิ่มต่อไปเช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็ต้องหมดไปเรื่อยๆถ้าไม่หามาเพิ่มไม่ช้าก็เล็วก็จะต้องหมดไปเช่นเดียวกันนี่คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นจึงได้หยุดการหาความสุขปลอมหยุดการหาทรัพย์สมบัติปลอมแล้วก็มุ่งไปหาทรัพย์สมบัติจริงหาความสุขจริงด้วยการออกบวช ด, ด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการเจริญจิตตาภาวนาค้นหาความสุข คนหาทรัพย์ที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในใจพอได้พบกับความสุขที่แท้จริงและทรัพย์ภายในที่แท้จริงแล้วพระองค์ก็ไม่ต้องหาความสุขที่ไหนอีกต่อไปไม่ต้องหาทรัพย์ต่างๆอีกต่อไปเพราะมีความสุขและมีทรัพย์ที่จะอยู่กับพระองค์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละ คือความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าของพวกเราไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้ทุกคนพอเกิดมาแล้วก็ต้องหาความสุขหาทรัพย์กันหาความสุขหาทรัพย์จากภายนอกของตนเองไม่เคยคิดเลยว่าความสุขและทรัพย์ที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจของตนเองถูกความหลงหลอก ให้ไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์ให้ไปหาทรัพย์ที่ไม่ใช่เป็นทรัพย์แท้แต่เป็นทรัพย์ปลอมจึงต้องมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาพอได้อะไรมาแล้วพอสูญเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจเวลาอยากได้อะไรไม่ได้ดงใจอยากก็เศร้าโศกเสียใจเหมือนกัน นี่คือทางที่พวกเรากำลังหลงเดินกันไปเราหลงกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายโดยไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นความสุขแทหรือเปล่าเป็นทรัพแทหรือเปล่าเรามัวแต่หากันไปอยู่เรื่อยๆหาแล้วก็แทนที่จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นกลับมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งมีความยิ่งมีของมากเท่าไหร่มีทรัพย์มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆทุกข์ที่เกิดจากการต้องคอยดูแลรักษาทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียเวลาพลาพาจากทรัพย์ต่างๆไปทุกข์ที่เกิดจากการต้องแสวงหามาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ นี่คือความทุกข์ที่พวกเรากำลังากาลังหากันแต่พวกเราคิดว่าเป็นความสุขกันจึงไม่เคยย่อท้อต่อการหาความทุกข์แบบนี้เลยชีวิตของเราจึงมีแต่ความทุกข์ทุกมาตั้งแต่เกิดทุกไปจนถึงวันตายพอตายไปแล้วก็อยากจะกลับมาเกิดกลับมาหาความทุกข์ใหม่ ถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้พบกับความจริงอันนี้ไม่รู้ความจริงอันนี้ว่าเรากําลังหลงทางเรากําลังเดินไปในทางที่ผิดทางที่เราไปคือการหาลากยศสำลัเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เป็นทางที่พาให้เราไปสู่ความทุกไม่ได้พาให้เราไปสู่ความสุข ทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขก็คือการหยุดการหาสิ่งต่างๆทั้งหลายภายในโลกนี้หยุดหาลาบยศสรรเสริญหยุดหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายวิธีที่เราจะหยุดเราก็ต้องอาศัยวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาได้ทรงปฏิบัติมาก็คือ การทำทานการรักษาศีลและการภาวนาที่จะเป็นการทำให้ใจของเราได้เข้าหาได้เข้าพบกับความสุขที่แท้จริงกับทรัพย์ที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในใจของเรานี้เองตอนนี้เราเข้าไปหาไม่ได้เพราะเราถูกอําอนาจของความหลง อำนาจของความอยากของความโลภที่จะคอยดันให้เราเออกไปหาความสุขภายนอกใจเราเออกไปหาทรัพย์ภายนอกใจเราถ้าเราไม่มีกำลังเราจะไม่สามารถที่จะต่อสู้ต้านกำลังของความโลภของความอยากของความหลง ที่คอยผลักดันให้เราออกไปหาของปลอมต่างๆแต่ถ้าเราสร้างกําลังใจของเราให้มีกําลังเพิ่มมากขึ้นต่อไปใจของเราก็จะสามารถต้านความหลงต้านความอยากต้านความโลภที่จะคอยหลอกคอยผลักคอยดันให้เราออกไปหาของปลอมต่างๆได้ สิ่งที่จะทำให้เรามีกำลังที่จะสามารถต่อสู้หยุดความหลงหยุดความอยากหยุดความโลภได้ก็คือวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็งมาจนเป็นผู้ที่สามารถหยุดความโลภหยุดความอยากหยุดความหลงไปจนหมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์ พร อ, องค์จึงได้พบกับของจริงได้พบกับทรัพย์จริงได้พบกับความสุขจริงทรัพย์จริงก็คืออะไรก็คืออริยทรัพย์นี่เองได้แก่มรรคผลนิพพานท่้นต่างๆความสุขก็คืออะไรก็คือความสุขที่ได้จากอริยทรพัพย์นี้คือความสุขของพระนิพพานาพที่เรียกว่าปามังสุขขังนี่ปรลมังแปลว่าบรลม สุขขังแปลว่าสุขประมังสุขขังนี้แปลว่าบาลมรสุขสุขที่จะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถหยุดความโลภหยุดความอยากหยุดความโลภหยุดความหลงต่างๆที่คอยผลักดันให้เราออกไปหาสิ่งต่างๆที่เป็นของเปล่าในโลกนี้ได้ดังนั้นหน้าที่ของเรา จึงอยู่ที่การมาสร้างกำลังใจที่จะต้านกำลังของความหลงของความโลภของความอยากต่างๆที่จะคอยหลอกคอยดันให้เราออกไปหาของปรองให้ออกไปหาความทุกข์นั่นเองนี่คือสาเหตุที่พวกเราต้องมาวัดกันในวันพระเพื่อที่เราจะได้มาสร้างกำลังใจไว้ต่อสู้กับกำลังของ กิเลสตันหาความโลภความอยากความหลงต่างๆด้วยการให้ทานทานนี้เป็นการต้านความโลภอย่างหนึ่งแทนที่เราเวลาเราโลภอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็เอาเงินที่เราจะไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้มาทำทานแทนเอามาให้เอาเงินนี้มาทำบุญ เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากเหนื่อยร้อนหรือถ้าเราอยากจะได้เสื้อผ้าชุดใหม่เราก็ซื้อมาได้แต่เราอยากเก็บเอาไว้ใช้เองซื้อมาแล้วแล้วเราก็เอาไปให้คนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ถ้าเราทำอย่างนี้ทุกครั้งความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ จะเบาบางลงไปเพราะว่าหนึ่งเราจะเห็นผลที่เกิดจากการหยุดความโลภด้วยการทำทายว่าทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความพอใจมีความภูมิใจทำให้เราไม่ต้องมีความอยากที่จะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ถ้าเราจะซื้อก็ต้องมีเหตุผล เช่นเสื้อผ้าของเก่านี้ใส่ไม่ได้แล้วคับเกินไปหรือขาดใช้ไม่ได้แล้วเราถึงจะซื้อถ้าซื้อด้วยเหตุผลซื้อด้วยความจำเป็นอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทำตามความโลภแต่ถ้าซื้อเพราะเห็นว่าสวยแต่มีเสื้อผ้าเต็มตู้ล้นตู้อยู่แล้วใส่ไม่หมดแล้ว ใส่ไปจนวันตายก็ยังใส่ไม่หมดแต่ก็ยังอยากจะซื้อชุดใหม่มาถ้าอยากจะซื้อจริงๆก็ซื้อมาได้ซื้อมาแล้วก็ให้เขาใส่ห่อเป็นของขวัญไว้แล้วก็เอาไปให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากขาดแคลนเสื้อผ้าทุกครั้งที่เรามีความโลภอยากจะได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นต่างๆ เราก็ทำแบบนี้ไปทุกครั้งแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเราจะไม่โรภหว่างได้อะไรเพราะเราจะมีความอิ่มใจมีความสุขใจมีความพอใจที่จะใช้เสื้อผ้าเก่าๆเสื้อผ้าที่เรามีอยู่อย่างไม่รู้สึกว่ามันเป็นของด้อยหรืออะไรเลยนี่คือการ ทำทานเพื่อต้านความโลภด้านความอยากที่จะคอยหลอกคอยดันให้เราต้องเสียเงินเสียทองไปโดยใช่เหตุแล้วต้องทําให้เราต้องไปดิ้นรนทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาตอบสนองความโลภความอยากต่างๆของเราถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะ ไม่ต้องหาเงินหาทองให้เหนื่อยยากแบบที่เราหากันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราจะมีเงินเหลือใช้เหลือกินเพราะเงินที่จะมาใช้กับการดูแลรักษาชีวิตของเรานี้มันไม่เป็นจำนวนมากไม่เหมือนกับเงินทองที่เราต้องใช้ไปกับการซื้อสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างๆ เราก็จะได้มีเวลาที่จะมาวัดมาทํามาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลพอเราได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมได้พบกับความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลปฏิบัติธรรมเราก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นพระเห็นแล้วว่าเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายหรืออะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆในโลกนี้จะไม่สามารถมาทำลายความสุขที่เราได้จากจากการปฏิบัติธรรมจากการรักษาสีนี่เลยก็จะทำให้เราสามารถทำทานเพิ่มได้มากขึ้นเสียสละให้ได้มากขึ้น แบ่งปันได้มากขึ้นทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นหลนหาเงินหาทองและเราก็จะสามารถออกบวนได้ถ้าเราต้องการที่จะหาความสุขที่แท้จริงให้มีเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจของเราหารักที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราไปตลอดเราต้องทำอย่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมา พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าถ้าอยากจะได้ความสุขแท้อยากจะได้ทรัพย์ที่แท้จริงก็ต้องสละความสุขปลอมสละทรัพย์ที่ปลอมไปให้หมดเพื่อจะได้มีเวลาที่จะมาทุ่มเทกับการสร้างความสุขแท้สร้างทรัพย์แท้ภายในใจก็คือจะได้ออกบุนั่นเองถ้ายังรักยังหวงทรัพย์ปลอมอยู่ ยังรักยังหวงสุขปลอมอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะออกไปหาทรัพย์แท้หาความสุขแท้ได้ดังนั้นถ้าเราอยากได้ความสุขที่แท้จริงทรัพย์ที่แท้จริงเราต้องกล้าที่จะสละทรัพย์ปอมสละความสุขปลอมไปให้หมดตอนนี้เราก็มาซ้อมไว้ก่อนเช่นวันพระ วันนี้เราก็สละทรัพย์รอไปส่วนหนึ่งสละเ้าาของเงินทองไปส่วนหนึ่งแล้วเราก็มาอยู่วัดกันมาสละความสุขพร้องไปคือจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราหรือใครก็ตามสองจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไป ด้วยการไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว 3. จะไม่หาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นการดูภาพยนตย์น้องลำทำเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภารรตที่สวยความพิจิตพิศดาไม่หาความสุขจากการแต่งหน้าทาปาก ใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆจะจะเพียงแต่อาบน้ำํำอาบท่าให้ร่างกายสะอาดหรือผ้าหวีผมให้เรียบร้อยก็พอแล้วเพราะความสวยงามที่แท้จริงไม่ได้สวยที่ร่างกายแต่สวยที่ใจสวยที่ใจที่มีศีลนั่นเองใจที่มีศีลนี่แหละคือความสวยงามที่แท้จริงผู้ใด ได้สัมผัสกับผู้ที่มีศีลแล้วจะมีความชื่นชมยินดีต่างกับการไปสัมผัสกับผู้ที่ไม่มีศีลถามจริงๆว่าเราอยากจะคบกับคนที่ฆ่าหรือไม่ฆ่าอยากจะคบกับคนที่รักทรัพย์หรือไม่รักทรัพย์อยากจะคบกับคนที่ประพฤติผิดประเวณีหรือไม่ประพฤติผิดประเวณี อยากจะคบกับคนที่เสพสุรายาเมาหรือไม่เสพสุรายาเมาอยากจะคบกับคนที่พูดความจริงหรือไม่พูดความจริงนี่คือความแตกต่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนีคนที่มีสีนี้เป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมน่าชื่นชมยินดี คนที่ไม่น่าคบค้าสมาคมก็คือคนที่ไม่มีศีลนี่เองนี่ลาจึงทำให้คนที่มีศีลนี่เป็นคนที่สวยงามคนที่ไม่มีศีลถึงแม้ว่าจะได้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆใส่เสื้อผ้าที่วิจิตรพิสดารอย่างขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่สามารถชนะใจของผู้อื่นได้ถ้าไม่มีความสวยงามทางใจดังนั้นเราอย่าหาความสวยปลอมกันให้เรามาหาความสวยจริงด้วยการรักษาศีรษะด้วยการรักษาศีรษะแล้เราก็จะไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปการหลับนอนของเราขอให้หลับนอนเพื่อเป็นการพักผ่อนร่าง ก, กาย ที่จำเป็นจะท่องพักเช่นวันหนึ่งนอนละคืนและสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียงแล้วสำหรับร่างกายแต่ถ้าเราบนนอนบนฟูกหนาๆเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอมาพอแล้วพอตื่นขึ้นมาถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆแทนที่เราอยากจะลุกขึ้นมาเราก็จะนอนต่อเพราะมันสบายแต่ถ้าเรานอนบนพื้นแข็ง เช่นอนบนพื้นไม้นอนปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อเวลาร่างกายได้พักเต็มที่แล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งเราจะได้มีเวลาตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาสร้างความสุขแท้ที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี้การทำใจให้สงบนี้ก็มีหลากหลายวิธีด้วยกัน มีวิธีที่ง่ายขึ้นไปหาวิธีที่ยากวิธีที่ง่ายก็จะได้น้อยวิธีที่ยากก็จะได้มากแต่ก่อนที่เราจะไปถึงวิธีที่ยากได้เราก็ต้องไปวิธีที่ง่ายก่อนเช่นถ้าเรานั่งแล้วให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวแต่ใจเราไม่ยอมเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หรือถ้าให้ฟัง หรือว่าให้บริกรรมพุโทโธพุทธโธก็ไม่สามารถที่จะบริการมพุทธโธได้เพราะจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านก็มีอุบายให้เราทําวิธีที่ง่ายก่อนวิธีที่ง่ายที่ที่สุดก็คือการนั่งฟังเทศฟังธรรมถ้าเราทาใจให้สงบด้วยการบริการพุทธโธไม่ได้ดูลมไม่ได้ก็ให้เปิดเทศ เทศสนาฟังไปก่อนหรืออ่านหนังสือธรรมะไปก่อนเวลาเราฟังเทศหรือเราเราดูหนังสือธรรมะใจของเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องมี้ไได้พอเราฟังไปเรื่อยใจของเราก็จะสงบก็จะเย็นขึ้นมาพอเราไม่อยากจะฟังเราก็หยุดฟังแล้วเราก็ดูลมหายใจต่อหรือบริกรรมพุทธโธต่อก็ได้ หรือถ้าเราไม่ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมเราจะใช้การสวดมนต์ไปก็ได้เช่นถ้าเรายังไม่สามารถบริกรรมพุทโธได้ไม่สามารถดูลมหายใจเข้าออกได้เพราะใจไม่ยอมดูไม่ยอมบริกรรมใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาใจที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดบทสวดนมนต์แทนให้สวดมนต์ที่เราจำได้จะสั้นหรือยางไม่สาคัญ จะเป็นบทไหนก็ได้อย่าไปเชื่อตามที่เขาบอกว่าคาถานั้นดีคาถานี้ดีการสวดมนต์นี้มีเป้าหมายอยู่เพียงอันเดียวคือการทำใจเราให้สงบเพราะถ้าใจเราสงบแล้วจะพบกับสิ่งที่ดีเลิศที่สุดที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ชะดีเท่าก็คือความสงบสุขของใจนี้เองนี่คือเจตนาของการสวดมนต์ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคาถานั่นคาถานี้และการสวดมนต์นี้ก็ไม่ได้มีเพื่อไว้ทำให้เราล่ำให้เรารวยหรือว่าปกป้องรักษาชีวิตของเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายการสวดมนต์นี้ไม่สามารถปกป้องชีวิตของเราได้แต่จะปกป้องจิตใจของเราได้ปกป้องจิตใจของเราไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆ มารุมเราจิตใจของเราปกป้องจิตใจของเราไม่ให้กิเลสตัณหาความโลภความหลงต่างๆมาหลอกมาหล่อให้เราไปหาความทุกข์ได้นี่คือเจตนาลมของการสวดมนต์สวดเพื่อทำใจให้สงบพอใจสงบเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะพบกับทรัพย์ที่แท้จริงพบกับความสุขที่แท้จริง ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้ที่มีคุณค่ากว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ดังนั้นการสวดมนต์นี้จะสวดบทไหนก็ได้คาถาไหนก็ได้ถ้าสวดไปแล้วใจจะสงบใจจะเย็นจะสบายจะไม่หวาดกลัวเช่นถ้าเราไปอยู่ในที่หวาดกลัวไปอยู่คนเดียวแล้วเกิดความรู้สึกว่าถูกอะไรกำลังมาหลอก กำลังคิดว่ามีภัยเข้ามาหาพระพุทธเจ้าก็สอนบอกให้สวดบทอิตปิสโสไปให้เจริญบทพระพุทธคุณถ้าเจริญบทพระพุทธคุณแล้วยังไม่หายกลัว<ม>ก็ให้เจริญบทธรรมคุณต่อไปถ้าบทธรรมคุณยังไม่หายก็ให้สวดบทสังคคุณต่อไปให้สวดไปเรื่อยๆกลับมาที่พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณใหม่ ถ้าสวดไปได้เรื่อยไม่หยุดรับรองได้ว่าพอจิตสงบแล้วความกลัวต่างๆจะหายไปหจะรู้ว่าความกลัวนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกความกลัวนี้อยู่ภายในใจของเราเองเกิดจากความหลงหลอกให้เราคิดว่ามีภัยอยู่ภายนอกเช่นเวลาเราอยู่คนเดียวพอได้ยินเสียงกิ๊กก๊กก๊กก๊ขึ้นมาก็ตกใจกลัวขึ้นมาแล้วเวลาลมพัด ให้ใบไม้ไหวก็คิดว่าอะไรมาแล้วเวลาตุ๊กแกจิ้งจกมันวิ่งอยู่บนเพดานก็คิดว่าผีมาหาแล้วนี่ใจเราหลอกใจเราเองถ้าเราไม่มีปัญญาพิจณาเราก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนถ้าเกิดความกลัวจริงๆแล้วใจจะไม่คิดไม่กล้าคิดจะสวดมนต์อย่างเดียวพอสวดมนต์อย่างเดียวไม่ช้าก็เร็วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ จะหายกลัวต่อไปจะไม่กลัวเวลาไปอยู่ที่ไหนที่เปรี่ยวอยู่ตามลำพังเพราอรู้แล้วว่าภัยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกภัยที่แท้จริงนี้อยู่ภายในก็คือความหลงของใจนี้เองความกลัวของใจนี่เองภยัยภายนอกนี้เราไปห้ามไม่ได้ถึงเวลามันก็จะต้องเกิด เช่นร่างกายเราไม่ช้าก็เรวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตายร่างกายนี้เรารักษาป้องกันไม่ได้แต่เรารักษาป้องกันใจของเราได้ด้วยการสวดมนต์ด้วยการทำใจให้สง บ, บนี่นี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงการสร้างทรัพย์ที่แท้จริง แล้วถ้าเราต้องการรักษาความสุขที่แท้จริงให้อยู่กับเราไปตลอดเราก็ต้องสอนใจให้รู้ว่าอย่าไปหลงอย่าไปอยากกับทรัพย์ต่างๆภายนอกอย่าไปหลงไปอยากกับทรัพย์ต่างความสุขต่างๆภายนอกเพราะมันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ให้เราหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปได้แล้ว ใจก็เราใจก็จะมีแต่ความสงบมีความสุขไปตลอดไม่มีความหิวไม่มีความอยากเพราะมีทรัพเต็มอยู่ภายในหัวใจแล้วนั่นเองนี่แหละคือการมาวันเพื่อที่มาสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เข้าไปหาทรัพที่แท้จริงหาความสุขที่แท้จริงที่รอเราอยู่ภายในใจของเรานี่เอง ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยขอให้เราทาทานให้มากรักษาศีลให้มากภาวนาให้มากทันนั้นแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงพบกับทรัพย์ที่แท้จริงดำที่พระพุทธเจ้าและภาษาโลกทั้งหลายได้พบกันอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างกาลังใจเพื่อให้เราได้ เข้าไปสู่ความสุขที่แท้จริงไปสู่ที่ทับที่แท้จริงนี้ด้วยการทำทานรักษ า, ษาศีลภาวนาให้ท่านได้นาเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงและทับที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพรศีรัตนไตรยัยได้บุญกุศลที่ท่านได้มาดำเพ็นนั้นในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญข้าข้าปลอดภัยจากทุกภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเทอ